การทำตนเหมือนเลือเปล่าก็คือการที่ไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นในความคิดว่ามีตัวตนนะอันนี้ถ้าพูดเต็มตัวกล้องแบบนี้แหละเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกนะแต่เป็นเพราะเราไปยึดว่ามีตัวตนเนี่ยอันนี้จึงเกิดปัญหาขึ้นมาเวลาใครมาต่อว่าดาทอหรือติดชินนินทา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 เมื่อได้ยินคำดา่าคาวิพากวิจารติฉินนินทานเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นเพราะคาด่าหรือคำพูดของเขานะไอตัวการสาคัญก็คือการที่ไปชูตัวกูขึ้นมานะหรือไปเกิดความสำคัญมั่นหมายว่ากูถูกดา่ากูถูกดา่าแต่ที่จริงถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองสักหน่อยว่า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 ก็เกิดความไม่พอใจนะไม่พอใจก็เลยตอบโต้ด้วยการไม่ขายให้นะหการไม่ขายของให้ลูกค้านี่มันโง่หรือฉลาดนะคนเราเป็นพ่อค้าก็เพื่อจะขายของอนะแต่ว่าเหตุผลที่ไม่ขายให้กับลูกค้านะเป็นเพราะว่าเขาไม่ให้ความสําคัญของเราให้ความสำคัญกับเราตั้งแต่ทีแรก อันนี้ก็เป็นพราะตัวกูนะตัวกูเนี่ยมันมันต้องการได้รับความสำคัญมากเดี๋ยวว่าแต่ต่อว่าด่าทอเลยนะอ่าแค่ไม่ชมนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องแล้วเป็นทุกข์แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยโพสรูปโพสข้อความอะไรขึ้นไปทาง facebook แล้วไม่มีคนกดไลค์เลยเพราะเพื่อนนี่ไม่กดไลค์นี่อันนี้ก็เป็นโกรธแล้วเนะี่ย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 คนเรล่านี้จะมีความทุกข์มากนะแล้วบางทีเนี่ยก็ต้องการเรียกร้องความสนใจวิธีเรียกร้องความสนใจของคนประเภทนี้นก็คือไปฆ่าคนดังนะอย่างฆาตากรที่ฆ่าจอร์แดนนอนเนี่ยชัแมนเนี่ยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เกลียดชังะไรจอร์แดนนอนนะเป็นแฟนจอร์แดนนอนเลซ้ำการเพลงนะแล้วก็ให้สารภาพเขารับสารภาพตอนที่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 ความตายไม่น่ากลัวเท่ากันไม่มีตัวตนในสายตาของคนรอบข้างแต่ถ้าฆ่าตัวตายไม่ได้ก็ไปฆ่าคนอื่นแทนเมื่อสักปีก่อ น, นมันมีการจับฆาตรกรต่อเนื่องนะฆาตรกรต่อเนื่องคือคนที่ไปฆ่าคนเนี่ยหลายศพนะจับได้เนี่ยเขาก็บอกเลยนะให้สัมภาษณ์สื่อพิมพ์ว่าเนี่ยจะต้องให้ผมฆ่าอีกกี่ศพนะ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 ก็มีฝรั่งเนี่ยเป็นลูกศิษย์เยอะเวลาไปบินธบัติเนี่ยก็ไม่ได้บินธบาตแบบ เ, เมืองไทยนะคือเราไปอยู่หน้าบ้านรอรับบาทรอรับบินธบาตแต่ว่าที่นั่นเนี่ยเราก็าไปฉันน้าร้อนน้ำชาเนะี่ยคุยกับเจ้าของบ้านวันนึงก็สัก2อสามคนแค่นั้นแหละสอบ้านเขาทิ้งหมดให้ฉันน้ำร้อนน้าชาแล้วเขาก็ถวาย พวกบิสกิจสแน็คนะหรือผักผลไม้นะแล้วขับรถไปส่งที่วัดนะแต่ขาไปนี่เดินไปนะเดินไปก็คุยกับฝรั่งคนหนึ่งนะเธอก็สใจพุทธศาสนานะเธอก็บอกว่าเนี่ยคำสอนพุทธศาสนาเรื่องตายรักเนี่ยอันนี้จังทุกขังเนี่ยเข้าใจได้ยอมรับได้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 เป็นเป็นหมือนชิ้นนะไอ้รถยนต์เนี่ยส่วนประกอบเป็นเหมือนชิ้นถ้าเราถอดเอาส่วนประกอบทีละอย่างทีละอย่างออกไปจนหมดนะก็ไม่เหลือเลยตัวรถก็หายไปเลยร่างกายเราก็เหมือนกันนะมันก็ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างต่างกเรียกอักอวัยวะ32อาการสามสมองสมองหัวใจปอดตับไตม้ามเลือดนะน้ำเหลือง ถ้าเอาแต่ละอย่างออกไปนะมันก็ไม่มีร่างกายนั้นจึงบอกว่าร่างกายก็ไม่ใช่ตัวต น, นเวลาเราเราชี้นะว่าตรงไหนเป็นตัวเราเนี่ยนะเวลาเอามือจิ้มหรือเอามือชี้นะว่าตรงไหนคือตัวเราเช่นมาชี้ตรงเนี้นะอันนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้ว น, นี้หนะ้าอกนะ ชี้ตรงนี้เนี่ยนี่ก็ไม่ใช่ตัวเรานะนี่มันหัวนะนะชี้ตรงนี้นี่ก็ไม่ใช่นะนี่มันแขนนะคือชี้ตรงไหนเนี่ยมันไม่เจอตัวเราทั้งอย่างมันมีแต่เจอหัว Euros เจอแขนเจออ่ปากเจออกนะและหัวเนี่ยถ้าชี้ไปนะมันก็จะไม่เจอหัวแ ต, แต่ไปเจอขมับบ้างไปเจอคิวบ้างไปเจอแก้มบ้างนะคือเรียกผู้ยางคือว่าไอสิ่งที่เรียกว่า ตัวเรามันเป็นสมมตินะเป็นสมมุติที่ใช้เรียกสิ่งสิ่งที่เกิดจากองค์ประกอบต่างๆพูดง่ายกว่านั้นเนี่ยไอ้เนี่ ย, ยถ้าเรากรรมอย่างนี้นะเราก็เรียกว่ากรรมปั้นนะแต่ถามว่ากรรมปั้นมีจริงไหมตัวกรปั้นอ่ะตัวตนกรรมปั้นเนี่ยนะพอคลายมือหรือแบมือเนี่ยตัวกรรมปั้นก็หายไปแล้ว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 ร, รัฐมนตรีเนี่ยก็จะพูดแบบพี่นอพิ่เทาเพราะลูกศรักกูเนี่ยเป็นลูกน้องนะแต่ว่าพอไปเจอลูกน้องไอเราเป็นอธิบดนะีเจอลูกน้องนะก็จะพูดกับลูกน้องอีกแบบหนึ่งคาแรคเตอร์ Character, หรือลักษณะนิสัยจะเปลี่ยนไปเลยไอตอนที่เกิดความสำคัญความหมาย ก, กูเป็นลูกน้องนี่เราก็จะพูดจาแบบ เรียบร้อยพี่นอพี่เ่ากับเจ้านายแต่พอเจอลูกน้องพอสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นเจ้านายเราก็จะนะก็จะกระโชกหอกหากบ้างนะนะนะลักษณะนิสัยเปลี่ยนไปเลยเมื่อตัวกูหรือความสำคัญเมื่อหมายว่าตัวกูมันเปลี่ยนไปนะมีนายทานคนหนึ่งนะ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 ตัวเองเป็นมะเร็งมะเร็งก็เป็นมะเร็งที่รักษาได้ยากหลังจากที่เป็นมะเร็งมาห้าหปีวันหนึ่งก็พบว่าแกนอนตายอยู่ในห้องน้ำรู้สึกมีมีรูกระกสุนอยู่ตรงขมับทีแรกคนนึก ว, ว่าแกโดนฆ่านะแต่หลังจากที่สำรวจดูแลพบ ก, กว่าแกค่าตัวตาย ทีหลังคนไม่เชื่อนะแกเคยพูดไปเหนือว่าคนที่ค่าตัวตายไม่ใช่ชายชาติทหารแล้วแกมาค่าตัวตายได้ยังไงตอนนั้นแกไม่ได้เป็นชายชาติทหารเลยเนี่ยตอนนั้นแกไม่ได้สําคัญ ม, มากมาว่าแกเป็นทหารแล้วตอนนั้นแกเกิดความสําคัญ ม, มากมาว่ากูเป็นคนป่วยนะไอตอนที่มีความสําคัญ ม, มากมาว่ากูเป็นทหารเนี่ยมันก็จะมีค่านนิยมนิสัยแบบหนึ่ง แต่ว่าตัวกูเนี่ยเนื่องจากมันไม่มีจริงเนี่ยมันเป็นสมมุติมันก็แปลเปลี่ยนไปเรื่อยวันหนึ่งก็คิดว่าหรือรู้สึกว่าตัวกูเป็นคนป่วยมันทรมานมากนะมะเร็งอะ่ะนะทรมานมากก็อย่ากันนั่นเลยตายดีกว่านะก็ปืนยิงตัวเองตายนะคนเราเนี่ยนะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเนี่ย ส่วนในพ่อความสําคัญมันหมายตัวกูเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยอะไรที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยแสดงว่ามันไม่มีตัวตนที่เทียงแท้มันไม่ใช่ตัวตนที่เที่ยงแท้มันเป็นแค่สมมติหรือสิ่งปรุงแต่งขึ้นมานะีอันนี้คือสิ่งที่พวกเราชาวพุทธนี่ต้องทําความเข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นที่มาของความทุกข์ในความสําคัญยึดมั่น ในตัวในตัวกูหรือความสําคัญยึดมาว่ามีอัตตาซึ่งทางพราเกว่าอัตตาทุปาทานเนี่ยนะการปฏิบัติในทางพุทศาสนาก็เพื่อเชื่อทําให้เห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวกูตั้งแต่แรกนะทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตนตราดใดที่ยังมีความสําคัญมั่หมายในตัวตนในตัวกูเนี่ยมันก็หนีทุกข์ไม่พ้นนะก็เรียกว่า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 จริงท่านก็ทําความเพียนจนบรรลุแล้วนะแต่ว่าท่านก็ยังทําความเพียนให้เป็นไปเป็นแบบอยาอ่างอนุชนมานี่ก็ไปคล้ายๆว่าไปล่อลอกไปไปพูดดูถูกนะบอกว่าเนี่ยท่านเป็นผู้หญิงปัญญาแค่2นิ้วทําความเพียนไปก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกคือไม่มีทางบรรลุธรรมพิสุนีท่านนั้นก็ตอบว่าเมื่อเห็นแจ้งในธรรมนะ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 มันเหลือแต่อวัยวะเร่อร่างกายซึ่งแทบจะเหมือนกันทุกๆคนไอ้ความเป็นนายกอดในข อ, อเนี่ยนะถ้าหากว่ามีสตินะัมันจะทะลุไอ้ความเป็นในกอดในขอมันจะเห็นแต่รูปกับนามกายกระจหรือว่าเห็นเป็นขันท่านะการเจริญสติเนี่ยมันช่วยทําให้เราสามารถเห็นทะลุไอ้ตัวสมมุตินะไปเห็นความจริงนะกายกระจายรูปกับนามพ้นจากความ เป็นตัวกูเนี่ยการเจริญสตรีมสำคัญมากนะที่จะช่วยถ่ายทอนในความยึดมั่นหรือคลายความยึดมั่นในตัวกูได้แลวถ้ายึดมั่นในตัวกูน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีความสุขความเบาสบายอยู่กับใครก็สงบเย็นนะไม่รุ่มร้อนเอาคำนี้พูกัท่านนี้นะกราบพระ